วันนี้เป็นวันอังคารที่14มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทาที่เป็นมงคลนั่นเอง การกระทาที่เป็นมงคลเขาถือการเข้าวัดเข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้รู้ผู้ฉลาดการเข้าวัดก็จะทำให้เราไม่ได้ไปหาไปพบกับคนที่ไม่ฉลาดนั่นเองอ ดังในมุงคลลสูตรที่ได้ทรงจัดไว้ว่าอาเัวนาจะบาลานังบาฑิตานันจะเสวนาเอตัมมังกลมุตตมังคือการไม่คบคนโง่คนที่ไม่ฉลาดเรียกว่าคนโง่คนพาลให้คบด้วยเข้าหาคนฉลาด คนตลาดที่ตลาดที่สุดในโลกก็มีพระพุทธเจ้าและพระอานนทต่อสาวของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงเข้าวัดกันพราวัดเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระ อริยสงสารของพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ตามวัดกันท่านจะไม่ไปอยู่ตามผับตามบาร์ตาม Walking s สต e e t ตามศูนย์การค้าตามสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงทั้งหลายสถานที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่ของคนไม่ฉลาดคือคนโง่ คนง่อนี้เป็นยังไรถึงเรียกว่าเป็นคนง่ตามหลักของพระพุทธศาสนาคนง่ก็คือคนที่ไม่รู้จักรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็คือความสงบของใจนี่คือสิ่งที่คนง่จะไม่รู้จัก จะไม่รู้ว่าความสงบนี้มันดีอย่างไรมันวิเศษอย่างไรคนง่อนี้จะไปเห็นความวิเศษจากราบยศสลรเสริญจากความสุขที่ได้มาจากรูปเสียงกิ่นรสโสตพัชชนิดต่างๆนี่คือสาญลักษณ์ของคนง่อ คนงอจะไม่รู้จักความสงบไม่รู้ว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคนง่อนี้จะคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาสตางค์ ส่วนคนฉลาดนี้จะรู้ว่าความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือความสงบและการที่จะทำให้ใจสงบได้ยําเป็นจะต้องมีสตินั่นเองจึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าคนย่อหาสตางคนฉลาดหาสติ เพราะว่าถ้าได้สติแล้วจะได้ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงส่วนสตางค์นี้ได้มาแล้วแทนที่จะได้ความสุขอย่างเดียวกลับได้ความทุกข์ตามมาด้วยเกาเรียกว่าทุกขลาบเวลาได้ลาบได ได้ลาบมาความทุกข์ก็ตามมาทันทีเพราะว่าเวลามีลาบก็ต้องหวงลาบนะหวงลาบแล้วก็เวลาที่สูญเสียลาบไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานะฮะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะลาบ คือเงินทองนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่เวลาใดเช่นตอนนี้คนที่มีเงินทองฝากอยู่ในธนาคารนี้เริ่มเกิดความทุกข์กังวลใจขึ้นมาแล้วเพราะมีข่าวทางต่างประเทศ มีธนาคารในประเทศสหรัฐต้องติดกิดจาการตรงทันทีจึงต้องเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาปกป้องคุ้มครองเงินฝากของผู้ที่นำมาไปฝากไว้ในธนาคารนี่แหละคือทุกขลาบ ไม่ใช่ว่าการมีลาบจะมีความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ติดมาด้วยแต่ความสุขที่ไดจากความสงบนี้ไม่มีความทุกข์ติดมาด้วยเป็นความสุขล้วนๆและเป็นความสุขที่มั่นคงเพราะถ้าเรารู้จักการกระทำใจให้สงบได้แล้ว เราจะสามารถรักษาความสงบของใจไปได้เรื่อยๆหรือถ้ามันหดหายไปเราก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะเราเคยได้ทำมาแล้วเรารู้จักวิธีแต่การสูญเสียลาบไปนี้มันไม่สามารถที่จะ เอากลับมาได้ทางทีทันใดบางทีก็ไม่มีทางที่เอากลับมาได้ถ้าเราเป็นคนเอาไปใช้เอง<ม>เอาไปใช้ไปเที่ยวไปกินไปเลงไปเล่นอะไรกันไปเล่นการพนันไปเที่ยว ม, มันก็หมดมพอหมดแล้วนี่อะไรที่จะโผล่ขึ้นมาน่สิ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือความทุกข์ใจ อันนี้ไม่ต้องถามใครก็ได้ทุกคนรู้กันว่าเงินทองนี้หมดหมดไม่ได้หมดแล้วเดือดร้อนกันแต่เวลามีก็ไม่รู้ว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้คนที่ฉลาดก็อาจจะรักษาได้นานกว่าคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ฉลาดนี้ได้มาปั๊บหนึ่งไม่นานเท่าไหร่หมดเลยก็มี คงได้ยินข่าวข่าวของคนที่ถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้มาไม่กี่ปีหมดนะใช้หมดอันนี้พอหมดความทุกข์ก็ตามเข้ามา ท, าทันทีนี่แหละคนฉลาดจะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสดชพาชนิดต่างๆ เป็นความสุขที่ไม่เพิยงแพ้แน่นอนเป็นความสุขที่มีทั้งการเจริญและมีทั้งการเสื่อมได้แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่สามารถที่ไปควบคุมบังคับให้เป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลามันก็ มีเหตุมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่อาจจะมาทำให้ลาบยศสรรเสริญและความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้พดหายไปได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เวลาสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไป เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและถ้าไม่รู้จักทำใจไม่รู้จักควบคุมใจมก็อาจจะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปได้และเมื่อเกิดอาการซึมเศร้าก็อาจจะไปคิดสั้นต่อไปก็ได้เพราะเมื่ออยู่กับความเศร้าอยู่ เื่อยๆมันก็ไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปก็จะคิดสั้นคิดว่ามีความเศร้านี้ไปด้วยการฆ่าร่างกายแต่ร่างกายมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาฆ่าร่างกายไปอาการซึมเศร้ามันก็ยังอยู่ในใจต่อไปเพราะอาการซึมเศร้ามันอยู่มันเกิดที่ใจเกิดจากความสุ ความไปหลงใหลไปชอบกับราบยศสารเสริญสุขี่พอไม่ได้หรือสูญเสียราบยศสารเสริญสุขไปก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาถ้าร่างกายก็ไม่ได้ทําให้อาการซึมเศร้าหายไปจิตที่มีอาการซึมเศร้าก็ยังซึมเศร้าต่อไปและจิตของผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เวลาที่ร่างกายตายไปก็เป็นจิตที่จะต้องไปอยู่ในอบายไปอยู่ในสวรรค์ไม่ได้สวรรค์เป็นที่อยู่ของผู้ที่มีความสงบของผู้ที่มีความสุขแต่ใจของผู้ที่มีความซึมเศร้านี้ไปอยู่สวรรค์ไม่ได้ต่อให้ใครทาบุญส่งไปให้มากน้อยเพียงไรบุญที่ส่งไปนี้ไม่พอไม่พอที่จะไป เปลี่ยนความซึมเศร้าให้กลายเป็นความสุขขึ้นมาได้ความซึมเศร้าก็จะเป็นตัวกัดก่อนจิตใจทำให้ต้องเกิดในรบายอยู่ในรบายไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่ามันจะอ่อนกำลังลงของมันเองไปจนกว่ามันจะหายซึมเศร้ามันถึงจะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 2> แต่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm. ก็จะมาหลงแบบเดิมอีก mm. ก็จะมาหาลาบยศสารเสริญสุขอีก mm. แล้วพอไปเ จ, mm. เจอความสูญเสียในลาบยศสารเสริญสุขอีก mm. ก็จะคิดสั้นอีก mm. เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาอีก mm. แล้วก็จะไปฆ่าร่างกายี mm. mm. พา่าร่างกายใจก็ต้องไปอยู่ในอบายเนี่ยนี่คือผลที่เกิดจากการที่ไม่รู้จักความสุขที่เลิอ่อนตันเริดว่าอยู่ที่ความสงบของใจไม่ได้อยู่ที่ราบยศสารเสริญสุขถ้าเราไปคบกับคนที่เขาหลงเขาคิดว่า การมีราบยศสรเสินสุขนี้เป็นการมีความสุขอันนี้ถ้าเราไปทำตามเขาเราก็จะหลงตามเขาแล้วถ้าเกิดเราเกิดสูญเสียราบยศสารเสินสุขไปใจของเราก็จะทำการฆ่าตัวตายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่ามันเป็นนิสัยไปเสีแล้วลองเคยแก้ปัญหาอย่างไรพอเจอก็เจอปัญหาอย่างนั้นก็แก้ไปอีกด้วยความลง่เชื่อว่าพอร่างกายตายไปแล้วความซึมเศร้ามันจะหมดไปความทุกข์มันจะหมดไปมันไม่มีวันหมดตราบใดถ้าเราไม่พลิกใจของเราให้เข้าหาความสงบให้ได้เท่านั้นแหละ ถ้าเพิกเข้าหาความสงบได้ใจเราก็จะหายสื่นเศร้าแล้วก็จะไม่กลับมาสื้เศร้าอีกต่อไปนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตเข้าหากุณฑลากคือเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะคอยสอนเรา ให้เรามาทําความสงบกันให้เรามาหาความสงบกันอย่าไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันเพราะว่ามันจะพาให้เราจะต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะลาบยศสารเสริญสุขมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนและเป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้เรารวยไปทุกวันจนวันตายนี่สั่งไม่ได้สั่งให้เราเป็นใหญ่เป็นโตไปตลอดชีวิตนี่ก็สั่งไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยอะไรหลายด้านด้วยกันที่อาจจะมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดสูญเสียไปสูญเสียราบยศสารสนุสุขไป ไม่มีใครจะหัวเราะไม่มีใครจะดีใจว่าโอ้สบายใจไม่มีราบยศเสริจสุขไม่มีอะไรต้องมากังวลแล้วไม่มีมีแต่วาดกลัวหวาดวิตกกันวุ่นวายใจกันเสีย อ, อกเสียใจกันตอนนี้ใครมีเงินฝากอยู่ต่างประเทศก็อาจจะคิดหนักแล้วว่าจะมั่นคงหรือเปล่า เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรธนาคารสมัยนี้โอนเงินไปโอนเงินมาธนาคารนี้ก็เอาเงินไปฝากธนาคารนู้นธนาคารนูนน้นก็เอาไปหมุนเอาไปฝากไม่รู้ว่าเงินแท้จริงๆนี่อยู่ที่ไหนกันอาจจะมีแต่ตัวเลขพ<ม>อถึงเวลาไปเบิกเข้าจริงๆก็ว่าไม่มีมีแต่ตัวเลขอันนี้แหละทุกของคนมีเงิน ทุกของคนลาบลาบยศสลรเสิญต้องเอาไม้ตีมันอย่าไปเกรงใจมันถ้ามันไม่ใช้ไม้เด็ดมันไม่กลัวหรอกหมาไ ม, ไม่รู้เรื่องหาไม้ทักอันหนึ่งตีมันไม่ไม่บาปหรอกเป็นการสั่งสอนไปลูกหัวมันมันก็คิดว่าโอเคอยู่ต่อไปได้ต้องตบบันทอืม สมัยก่อนหลวงตามหาบุตรท่านจะมีหนังสติ๊กไว้คู่คู่กายท่านเพราะที่นั่นสมัยก่อนกำแพงวัดไม่มีหมามันก็มาจะมาคุ้ยเขี่ยหาข้าวหาของในวัดท่านก็เลยต้องถือหนังสติ๊กเดินตรวจวัดพอเจอหมาก็เลยเอาหนังสติ๊กนี่ไล่ ย, ยิงมันมันจึงไม่กล้าค่อยเข้าเข้าวัดเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เป็นการโหดร้ายทารุณเป็นการสั่งสอนเขาจะ ว่าพูดพูดภาษาคนไม่ไม่เรื่องอ่ะหมาหมาก็ต้องพูดภาษาหมาสิใช่ไหมหมามันก็ต้องใช้กำลังมันถึงจะรู้ว่าใครใหญ่ใครใครด้อยมันก็กลัวผู้ที่มีกำลังมากกว่ามันผู้ที่ทำให้มันเจ็บได้มันก็กลัวมันก็จะไม่กล้าดื้อแต่ผู้ที่ทำให้มันไม่เจ็บมันก็ไม่กลัวนี่คือภาษาของหมามันเป็นอยางไง เราจะไปบอกไปเถิดไปเถิดอย่าอยู่นี่เลยขอร้องนะพูดมันไม่เข้าใจหรอกมันไม่ชอบเข้าใจภาษาคนต้องใช้ภาษาหมาลองเอาไม้มันเดินมาสิมันเห็นไม้มันเดินหิีวไปวันนี้ก็มีธรรมะสดๆร้นอนๆ <c oughs> ดูซิว่าลูกศิษย์จะสู้หมาได้หรือเปล่ า, าคนกับหมาใครจะเก่งกว่ากันเา้า ดูที่จะปล่อยให้หมามันมามาออกฤทธิ์ออกเดรดได้หรือเปล่าหรสามารถกําจัดมันให้มันเถ็ดเนี่ยลองตีมันต้องโป๊เดียวให้มันไปเลยไม่ตีมันก็ไม่ไปเห็นมันไปนี่มันก็ชอบสิ้านลงไปโอ้สาบหมามไม่ได้แบบว่านี้ โอเคความเมตตามันก็มีอยู่การสั่งสอนก็เป็นความเมตตาอย่าง<ม>ถ้าเรามีลูกมีหลานที่ดือ้อที่ไมเข้าไปทำอะไรเสียหาย<ม>ถ้าเราไม่คอยสอนคอยเตือนเขาอาจจะคิดว่าโอเคเขาก็จะทำต่อไปแล้วต่อไปเวลาโตขึ้นเขาอาจจะไปทำผกผลหม้ที่รุนแรงก็ได้ อาจจะถึงกับต้องไปติดทุกติดตารางขึ้นมาแล้วก็จะมาโทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่สั่งไม่บอกเพราะพ่อแม่รักลูกไม่อยากให้ลูกเสียใจเลยไม่กล้าว่าไม่กล้าตีลูกก็เลยได้ใจคิดว่าทำอะไรก็ได้แต่ถ้าสั่งสอนแล้วดื้อไม่ฟังก็ต้องลงโทษให้เขาเข้าใจว่า การกระทำนี้มันเป็นการกระทำที่เสียหายทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษก็จะไม่เข็ดละสมัยนี้กลัวกันนะเดี๋ยวนี้คุยพ่อแม่ไม่กล้าแตะลูกนะแตะลูกเดี๋ยวตำรวจมาแล้วมาหาว่าทารุณกรรมลูกนะแล้วเวลาลูกไป ทำผิดกฎหมายแล้วก็มาโทษพ่อแม่ปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกวันนี้เด็กโตขึ้นแล้วมักจะไม่ค่อยกลัวเกงกฎหมายกันเท่าไหร่อย่างนี้มีแต่เรื่องราวต่างๆเพราะเกิดจากการไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนลงโทษลงทันกันเพราะถือว่าเป็นการทารุณกรรมไป สมัยนี้ก็เลยปล่อยให้เด็กผานการอบรมผานการดูแลเด็กโตขึ้นก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎกฎระเบียบต่างๆบ้านเมืองก็วุ่นวายกันวุ่นวายเพราะคนเราไม่เคารพกฎหมายกฎระเบียบ กฎหมายกฎระเบียบนีมีไว้เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยจากการคุกคามจากการประพฤติที่เป็นโทษต่อผู้อื่น น, นั่นเองอันนี้แหละคือการอยู่กับคนฉลาดหรืออยู่กับคนไม่ฉลาดถ้านเนงที่ไปอยู่กับหลวงตามหาบุญถ้าทำผิดแล้ว ท่านเตือนครั้งหนึ่งแล้วถ้าไปทําซ้ํานี่ท่านก็จะให้ออกจากวัดเลงเพราะว่าแสดงว่าไม่สําเร็จสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการไปอยู่วัดนี่ก็เพื่อไปฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความประพฤติ ท, ที่ดีงามที่สวยงามที่เรียบร้อยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้อื่นได้กับตนเองเพราะถ้าไปทำความเสียหายให้กับผู้อื่นตอนนี้ก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะตอนเองก็จะต้องถูกเขามาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปล่อยให้อยู่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อื่นก็เราก็จะอยู่ของเราเป็นปกติกสุขไม่มีใครเขาจะมา ทำะไรเราไม่มีใครอะไรไม่มีใครเ็าจะมาลงโทษเรานี่คือประโยชน์ของการที่ได้อยู่กับคนฉลาดคนฉลาดจะรู้ว่าการอยู่ร่วมกันนี้ต้องอยู่กันอย่างมีความสงบมีความสุขทุกคนจะต้องเคารพกฎระเบียบไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจอยาก เราก็ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นความที่เราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนจากผู้อื่นก็เกิดจากความที่ใจของเราไม่สงบนั่นเองใจของเราไม่สุขพอใจของเราไม่สุขสุขไม่สงบ ก, ก็เลยไปหาอะไรทำบางทีก็ไปเปิดเพลงฟังสมมติบางทีก็ไปกินข้าวเย็นกันมาอยู่วัด เพราะมันใจมันหิวใจความจริงนั่งกายมันไม่หิวที่หิวจริงจริงมันคือใจใจเวลาไม่สงบแล้วมันจะหิวโหยหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสกับสิ่งต่างๆแล้วมันคิดว่าการที่ได้ไปทำสิ่งที่มันอยากทำเนาะจะทำให้มันมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดียวๆแต่มันก็ไปสร้งปัญหาไป ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้แต่ทำให้คนอื่นที่เขาจะมาหาความสงบนี้ทำใจให้สงบไม่ได้เพราะการกระทำของตัวนี่นี่คือเรื่องของความสงบความสงบนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจของเรามากถ้ามีความสงบแล้วนี้ไม่หิวนะ กับข้าวของเงินทองอะไรต่างๆนี่มันไม่มีความหมายมันไม่ได้ให้ความสุขเท่ากับความสงบคนที่มีความสงบนี้เขาไม่ต้องการอะไรมากเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่าหลานดาสาโลกนี่ท่านไม่ต้องการอะไรมากท่านมีแค่ผ้าสามผืนนั่นเองผ้าไก่หนึ่งชุดบานรหนึ่งใบไปไหนมาทางนี้แล้วอยู่ข้างหลังนี่ แม่วันนี้ดูวิธีป่าหมาของจิตเอกของวัดหน่อคนที่มีความอิ่มใจสุขใจแล้วไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการราบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้านี่ท่านอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ขอให้เป็นที่สงบท่านน้อจะเลือกอยู่ตามป่าตามเขา แล้วก็ไม่สร้างถาวรวัตถุแบบหรูหราสร้างกุฏิมโหฬารอะไรไม่มีหรอกท่านอยู่แบบเรียบง่ายาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้าอยู่กับธรรมชาติาไม่ต้องมีน้ำไม่มีน้ำประปาไม่ต้องมีไฟฟ้าท่านไม่ต้องดูอะไรตอนคืนท่านก็เข้าสมาธิไปทำใจให้สงบไป ถ้าจะเดินจงกลมก็มีเทียนก็พอแสงเทียนก็พอใช้ให้กับการเดินจงกลมไปไหนมาไหนก็ใช้แสงเทียนทําตะเกียงทําตะเกียงผ้าแล้วก็ใส่เทียนไว้ในในตะเกียงนั่นแล้วก็เดินไปเป็นแสงสว่างไม่หิวถ้าใจไม่หิวถ้าใจสงบเราจะไม่หิวกับลาบยศสารเส ร, เริอจะไม่ได้คิดอยากจะได้ตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ ไม่ได้อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ไม่ต้องการรางวัลต่างๆรางวัลที่เขาแจกกันเนี่ยโอ้เวลาได้มานี่น้ำตาไหลดีใจไปสองวันเดี๋ยวก็หมดละเดี๋ยวผ่านไปและเดี๋ยวก็อยากจะได้รางวัลใหม่นะเดี๋ยวปีใหม่ก็อยากจะได้อีกันนะ <c oughs> ของเก่าได้มาแล้วมันไม่มีความรู้สึกสุขเหมือนกับของที่ยังไม่ได้ ของต่งางๆที่เราได้มาเนี่ยเราให้ได้มามาก <c oughs> มากน้อยเพียงไร <c oughs> มันไม่ทำใจให้เราอิ่มได้ <c oughs> มันมีแต่จะทำให้กลับหิวเพิ่มมากขึ้น <c oughs> เพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่มีคุณค่าในการทำใจของเราให้อิ่มให้พอนั่นเองแต่มันกลับจะมาทำให้ใจของเราอยากได้เพิ่มมากขึ้น อย่างที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าพอได้ครึ่ก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้วาเนีย่ยมันจะขยายความอยากเพิ่มไปเรื่อยๆท่านบอกว่าน้ำในมหาสมุทรนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามมันยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากของใจเหล่านี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่นี้จะไม่มีคาว่าพอ กับจะมีความอยากได้เพิ่มมากขึ้นเราจึงมีเศรษฐีกันตอนต้นสมัยก่อนก็มีเศรษฐีเงินล้านกันนะไม่มีใครพูดถึงพันล้านแล้วต่อมาก็เริ่มมีพันล้านเราเศรษฐีพันล้านแล้วต่อมาก็จะมีหมื่นล้านตอนนี้ก็มีหมื่นล้านเดี๋ยวยิไม่กี่ปีข้างหน้าก็แสนล้านเนี่ยมันจะขยายวงออกไปเรื่อยๆความกว้าง ของความอยากนี่มันจะขยายไปเรื่อยๆ mm hmm. ตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่มีระดับแสนหรือระดับล้าน mm hmm. ถ้ามีระดับแสนก็อยากจะให้ได้ระดับล้านกัน mm hmm. ถ้าได้ระดับล้านแล้วทีนก็อยากจะได้สิบล้านลอยล้านไป mm hmm. แล้วไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วเอาไปทําไม mm hmm. เอาไปใช้หรือเปล่า mm hmm. เอาไปใช้กับสิ่งที่มันจําเป็นหรือเปล่า mm hmm. เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นใช้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร<ม>เป็นความความสุขที่หลอกเราหลอกให้เราใช้ของแพงๆ<ม>ใช้ของที่มันไม่จําเป็นจะต้องใช้กันเช่นเสื้อผ้าจําเป็นที่ต้องสวมใส่นี้ชุดละไม่เกินพันมันก็พอจะใช้ได้แล้วแหละแต่ถ้ามีเงินเป็นแสนเป็นล้านนี่เสื้อผ้าชุดละพันนี้ใส่ไม่ได้แล้ว ไม่คุ้มค่าไม่ไม่สมเกียจแล้วไม่สมเกียจกับคนที่มีเงินล้านนะคนที่มีเงินล้านต้องใช้เสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสนขึ้นมาอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของกิเลสที่มันจะหลอกให้เราต้องดิ้นโลนไปหาซักหาเงินหาทองหาความสุขจากเงินทองที่เราได้มาด้วยการไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆมากมายก่ายกอง แล้วพอซื้อแล้วมันจะติดมันจะต้องออกไปซื้อเรื่อยๆมันไหนไม่ได้ออกไปซื้อของใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าหดเย็ดลำถานใจแล้วถ้าเกิดไปเจอยุคที่ไปเจอปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเงินทองไม่เข้ามาเหมือนเมื่อก่อนเงินที่เคยเข้ า, ขามาไหลามาเทมาหยุดชะงักลงไปมีแต่ไหลออกไหลออก เหลือเงินที่มีเหลืออยู่ก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนถ้าไม่หยุดการใช้ยังใช้ต่อไปเดี๋ยวมันก็หมดนพอหมดแล้ ว, ลวทีนี้จะไปซื้ออะไรก็ไม่มีเงินซื้อแล้วจะไปเที่ยวออกไปไม่ได้จะไปกินไปดูไปดื่มไปอะไรก็ทํามไม่ได้ทีนี้แหละความซึมเศร้ามันก็จะเข้ามาแทนที่ อเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมามากๆก็จะไม่ไม่มีความรู้สึกอยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยู่ไปไม่มีความสุขก็ไม่มีใครอยากจะอยู่กันแล้วก็มาเจอวงจร อ, อุบาทมาฆ่าตัวตายกันพอฆ่าตัวตายแล้วมันก็จะติดเป็นวงจร อ, อุบาทไปกลับมาเกิดอีกครั้งพอมาเจอโรคซึมเศร้า ก็จะใช้วิธีแก้ด้วยการฆ่าตัวตายไปอย่างนี้ที่มีคำพูดก็พูดไว้ว่าถ้าได้ฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลับมาฆ่าตัวตายอีก5้าร้อยครั้งเพราะมันจะเป็นนิสัยมันจะติดตัวมาพอซึมเศร้าก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่ก็คิดว่าถ้าตายแล้วความซึมเศร้าจะหายไปมันไม่หายนะความซึมเศร้าไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความซึมเศร้ามันอยู่ที่ใจมันติดไปกับใจใจไม่มีวันตายใจเป็นผู้แบกความซึมเศร้าเป็นผู้สร้างความซึมเศร้าขึ้นมาเกิดจากความอยากต่างๆเวลาเราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากนี่เราจะเศร้าเราจะหุดเหยียดนำทานใจจะมีพระจะมีไม่มีความรู้สึกมีความสุขใจ แล้วถ้าไปได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็สุขใจช่วงช่วงระยะหนึ่งเดี๋ยวจากระยะหนึ่งความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาอีกมันก็จะไม่ช้าก็เร็วที่จะต้องทำให้เราไปเจอกับสิ่งที่เราอยากแล้วไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราอยากได้หรือสูญเสียที่สูญเสียสิ่งที่เรา ได้มาสูญเสียที่สิ่งที่เราอยากได้มาไปและอยากจะได้คืนมาบอกไม่ได้คืนมาก็เศร้า อ, อีก mm hmm. อนี่คือปัญหาของการที่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เ mm hmm. พราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตายลัก mm hmm. ต้องเข้าใจหลักคำว่าตายลัก ไรลักษณ์ก็คือหนึ่งไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียงมีเกิดมีดับได้มีการเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นไม่ดีได้พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติ มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เี่นตอนนี้ร้อนบอกให้มันเย็นมันไม่เย็นมันก็ร้อนของมันไปถ้าเราอยู่กับมันไม่ได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับมันได้เรายอมรับมันได้ทําใจยอมรับมันคืออย่าไปอยากให้มันไม่ร้อนถ้าไปอยากให้มันหายร้อนแล้วมันไม่หายนี่มันก็จะทาให้เราทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราว่ายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันร้อนก็ต้องปล่อยมันร้อนไปเราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปให้ได้ <Okay. S 1> การที่เราจะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นตายรักที่อยู่ในโลกนี้ได้ก็คือต้องมีความสงบเท่านั้นแหละถ้าใจเรามีความสงบแล้วใจเราจะอยู่กับสิ่งต่างๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามใจของเรานี้จะไม่หวั่นไหวไม่ไม่เดือดร้อนถ้าใจของเรามีความสงบอะไรจะเกิดอะไรจะดับไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตา่างใจของเราจะอยู่กับมันได้อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทำอะไรได้ก็ไม่ให้ทำไม่ใช่อย่างนั้น อันไหนที่เรายังพอทำได้ก็ทำไปแต่อันไหนที่เราทำไม่ได้มันมันสุดวิสัยมันเกินความสามารถของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหัดทำใจกันคาว่าทำใจก็คือทำใจให้สงบนั่นเองถ้าใจสงบแล้วใจก็จะไม่มีความอยากไม่มีความอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบหายไปเช่นความร้อน เราก็จะไม่มีความอยากให้มันหายไปมันมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเพราะเราก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันหายไปได้นั่นเองถ้าเรายอมให้มันอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปมันจะหนาวก็ปล่อยมันหนาวไปส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทุก์กับดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไป สั่งเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทุกข์มากส่วนมากเราจะทุกข์กับอะไรทุกข์กับคนเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยทุกข์ที่สุดก็คือคนที่ใกล้ตัวเราเพราะเราไปหลงคิดว่าเราไปสั่งเขาได้สั่งให้เขาเวลาเขาทาอะไรไม่ถูกใจเราก็สั่งให้เขาอย่าทํำหรือเวลาเราอยากให้เขาให้อยากจะให้เขาทาอะไรให้เราเราก็สั่งเขาได้แต่พอเราสั่งเขาไม่ได้ อะไรก็เกิดขึ้นมาก็าคือความทุกข์ใจไม่สบายใจนั่นเองอนนี้แหละคือผลที่เกิดจากการที่เราไปมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราได้เขามาแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเราจะควบคุมเขาได้ใหม่ๆเจอกันก็อาจจะควบคุมกันได้เพราะเขายินดีให้ควบคุม พ่าเขาอยากจะอยู่ใกล้เราอยากจะเป็นของเราแต่พอเขาอยู่ใกล้เราสักพักเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้พอเขาเบื่อเราแล้วทีนี้เขาก็ไม่ยินดีที่จะตอบสนองความต้องการของเราเราต้องการให้เขาทําอะไรเขาก็ไม่ทําพอเขาไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็ทุกข์ใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ เป็นธรรมชาติหรือเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันเป็นตายรักทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ของไม่ที่ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้มันเจริยนได้มันเสื่อมได้ แล้วก็เราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้ตลอดไปบางครั้งบางเวลาเราอาจจะสั่งมันได้ยั้เราอย่าไปคิดว่าเราจะสั่งมันได้ตลอดเวลาเวลาที่มันจะไม่ยอมรับคําสั่งมันก็เราก็ต้องทำใจหรือต้องหาวิธีแก้ไขถ้าแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องอก็ต้องปล่อยมันไป อ, อย่างรถยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ เราก็คิดว่าเราสั่งมันได้ทุกครั้งที่เราขึ้นรถเสียกุญแจสตาร์ทรถมันก็ติดแต่เชื่อไหมมันต้องมีวันหนึ่งนี่พอสตาร์ทแล้วมันไม่ติดขึ้นมาตอนนั้นเราสั่งมันไม่ได้แล้วสั่งให้มันติดมันไม่ติดเคยสั่งให้มันติดทุกวันแต่วันนี้มันไม่ไม่ยอมติดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเบื้องต้นล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วเดือดร้อนแล้ว บางทีรับคำสั่งของเราทําตามคำสั่งของเราแล้ววันดีดีวันดีคืนดีวันนี้มันไม่มันไม่ทาตามคำสั่งของเรา เ, ออเราก็ต้องหาวิธี <c oughs> ทําให้มันทําตามคำสั่งของเราเออถ้าเราเป็นช่างหรือพอจะรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรก็อาจจะไปแก้อาจจะเกิดเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดหรือเปล่า หรือขัวแบตเตอรี่มันลุดอะไรก็ว่าไปทำให้ไฟไม่ <c oughs> ไม่เข้าเครื่องแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นต้องหาช่างหาอะไรไปเนี่ยนี่คือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเสื่อมไปตามเวลาของมันของใหม่ใช้ไปใช้ไปไม่นานมันก็จะกลายเป็นของเก่าไป พมันเป็นของเก่ามันก็จะไม่มันก็จะไม่เหมือนของใหม่ของใหม่นี่มันทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์พร้อมที่จะตอบสนองความอยากความต้องการของเราแต่พอมันเริ่มเก่าลงเริ่มเก่าลงไปมันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองตันหาความอยากของเราได้พอไม่ไม่ตอบสนองตันหาความอยากความทุกข์ใจเราก็เกิดขึ้น ตายลักษณ์นี้มีมีมีมมาสามลักษณะความจริงสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นสองมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปควบคุมบังคับไม่ได้ตลอดเวลาส่วนทุกขังนี่มันไม่ได้อยู่ในสิ่งต่างๆทุกขังมันอยู่ในใจของเราความทุกข์เกิดที่ใจของเราเกิดจากความผิดหวังเกิดจากความหวังที่เราหวังจากสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา หวังให้เขาตอบสนองความต้องการของเราทุกเวลานาทีพอเขาไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการของเราได้ใจเราก็ทุกขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเเข้าใจความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่าเขาจะต้องมีการเสื่อมมีการเสียมีการหมดมีการจบ แล้วก็เราไปสั่งให้เขาไม่เสียไม่ได้สั่งให้เขาอยู่ให้เขาทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราไม่ได้เสมอไปพอเวลาเราไปเห็นไปเจอตอนที่เขาเสียตอนที่เขาไม่ทำตามความสั่งทำตามความต้องการของเราเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าของต่างๆนี้เราไม่สามารถพึ่งเขาได้ตลอดเวลา ต้องมีเวลาใดเวลาอย่างที่เราพึ่งเขาไม่ได้และการที่จะทำให้เราไม่พึ่งเขาเราก็ต้องมีอย่างอื่นที่ดีกว่านั่นละ่ะก็คือความสงบนี่เองถ้าเรายังไม่มีความสงบถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาไม่เที่ยงต่<ม>อเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราไปพึ่งเขาเนี่ยพอเขาให้เราพึ่งไม่ได้เราก็จะต้องทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเราทาใจไม่ได้ แต่ถ้าเราไปทำใจให้สงบได้ฝึกใจให้สงบพอเวลาที่เราพึ่งอะไรไม่ได้นี่เราจะไม่ทุกข์ใจเราจะกลับมาหาความสงบได้เสมอทุกเวลาความสงบนี้จะให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งความสงบนี้มันดีหลายอย่างความสงบนี้มันของที่อยู่ในตัวเราเองไม่ต้องอ า, อาศัยสิ่งภายนอกถ้าไปอาศัยสิ่งภายนอกก็ไป เจอของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นอนัตตาทั้งนั้นแต่ความสงบนี้มันอาศัยกำลังความสามารถของเราเองถ้าเราฝึกหัดฝึกฝนอบรมฝึกสร้างความสงบขึ้นมาต่อไปเราก็จะชำนาญเราก็จะรู้จักวิธีที่จะทำใจให้เราสงบได้เหมือนกับการว่ายน้ำหัดว่ายน้ำนี่ถ้าเราหัดว่ายน้าเป็นแล้วเราก็จะว่ายน้าไปเป็นไปตลอด แต่ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องอาศัยชูชีพเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีชูชีพเราก็จะจมน้ำตายได้นใจของเราก็เป็นเหมือนคนเนี่ยที่ลอยอยู่ในน้ำถ้าไม่หัดว่ายน้ำเองไปอาศัยชูชีพคอยเกาะเดี๋ยวเกิดชูชีพมันเสียไปมัน <c oughs> รั่วน้ำเข้ามันลมไม่มีเกาะมันไม่ได้เราก็จะจมน้ำตายใจของเราถ้าไปอาศัยสิงาา่งต่าง มาให้ความสุขไปอาศัยราบยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยให้ความสุขกับเราถ้าวันดีคืนดีของที่เราไปอาศัยให้ความสุขกับเราเปลี่ยนไปหรือหมดไปนี่เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความสงบถ้าเรามีความสงบทำใจให้สงบเป็น เราจะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไม่ต้องมีราบยศเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่สิ่งที่เราต้องอาศัยใช้อยู่มันเกิดเป็นอะไรไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะใจเรายังมีความสุขได้จาก <c oughs> การทำใจให้สงบเงีย นี่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราเข้าหาคนฉลาด<ม>คนฉลาดจึงสอนคนฉลาดจึงจะสอนให้เราหาสติกันถ้าคนโง่จะสอนให้เราไปหาสตังกัน<ม><ม>พ่อแม่ของเราปู่ย่าตายานี่โง่ทั้งนั้นทุกคนเกิดมาก็สอนให้เราไปหาสตังกันนอยากให้ลูกร่ำาให้รวยกันแต่ไม่หาไม่รู้ไม่รู้หรอว่ามันเป็นความทุกข์ ถึงแม้จะรวยก็ทุกข์เนี่ยมีเงินล้านอยากไปคิดว่าไม่ทุกข์เนี่ยมีเงินล้านมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะกังวลทุกข์เพราะไม่รู้เงินล้านนี่มันจะหายไปเมื่อไหรเ่เดี๋ยวนี้มีข่าวอยู่เรื่อยๆอยู่ดีๆเงินฝากในธนาคารอยู่ดีดก็หายไปเดี๋ยวเป็นศูนย์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยคนมีเงินอย่าไปคิดว่าไม่ทุกข์เนี่ย คนมีเงินนี้อาจจะทุกกับคนที่ไม่มีเงินทีเพราะคนที่ไม่มีเงินเขาก็ไม่ทุกข์เงินเขาสูญอยู่แล้วเงินในธนาคารก็สูญอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องมันกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเงินที่เขาฝากไว้ในธนาคารว่ามันจะสูญหรือไม่สูญแต่คนที่มีมันจะต้องคิดทุกวันต้องคอยตรวจบัญชีอยู่ลเลยเฮ้ยมันยังอยู่หรือเปล่ายัางอยู่เท่าเดิมหรือเปล่ามันหายไปหรือเปล่าอันนี้แหละความทุกข์ ถ้าเราไปหาเราไปเพื่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรามาเป็นที่พึ่งของเรามันจะทําให้ใจเราทุกข์เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนและเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันแน่นอนไม่ได้ฉังนั้นอย่าไปเพึ่งสิ่งต่างๆถ้าเป็นไปได้พยายามมาหัดทําใจให้สงบกันดีกว่า ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราจะต้องสูญเสียเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้วันใดวันหนึ่งจะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่เขาไม่จากเราไปก่อนเราก็อาจจะจากเขาไปก่อนก็ได้เรามาตัวเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็เวลาไปเราก็ไม่ได้ อ, อะไรไปกับเรา ของต่างๆที่เราอุตส่าห์หามาแทบเป็นแทบตายมันก็หายไปหมดแล้วชีวิตเราทั้งชีวิตก็วุ่นวายกับของต่างๆที่เราจะต้องสูญเสียไปชีวิตของเราก็เลยอยู่กับกองทุกมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราอยู่กับกองทุกกันเพราะเราไปเกาะติดกับของที่มันไม่มันมันไม่มั่นคงมันไม่แน่นอน ถ้าเราได้มีโชคถ้าเราได้มีโอกาสมีโชคได้มาเจอคนฉลาดได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราถึงจะได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีความทุกข์กันนี้ก็เพราะเราไปพึ่งในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะบอกว่าให้เราเ ป, เปลี่ยนที่พึ่งกันอย่าไปพึ่งลาบยศเสรเสรสุข อย่าไปพึ่งคนนั้นคนนี้แม้แต่ร่างกายของเราก็พึ่งไม่ได้ร่างกายของเรามันก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายไปต่อไปต่อไปร่างกายเราที่เราพึ่งตอนนี้มันจะไม่ให้เราพึ่งเนกะิด <c oughs> นทีตพิกลพิการขึ้นมาเป็นยังไงเ <c oughs> ปน็นํามพฤกษ์อัมพาตบ้างหูหกบ้างตาบอดบ้าง <c oughs> มันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้กับร่างกายนี้เพราะร่างกายมันก็เป็นนนิจังเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลามันก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วถ้าเราไปพึ่งพาสายมันพอเราพึ่งพาสายมันไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนกันงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราได้มาตั้งแต่ ที่วันแรกที่เราโผล่มาในโลกนี้ตอนที่เรามาเกิดนี่สิ่งแรกที่เราได้ก็คือร่างกาย เ, ยเวลาออกมาจากท้องแม่เราก็ได้ร่างกายแล้วแล้วหลังจากนั้นพอร่างกายโตเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาสิ่งต่างๆต่อไปไปหาราบยศสนเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาแฟนไปหาคนนั้นคนนี้แล้วเราก็สนุกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราหามาได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ อกสันขวัญแขวนใบกับสิ่งที่เราได้ว่ามันไม่รู้จะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่บางคนไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่ามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดคนส่วนใหญ่นี้ถ้าไม่คิดคิดไม่เป็นนี้จะคิดว่าถ้าได้อะไรมาแล้วจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพอวันดีคืนดีเกิดเขาไม่อยู่กับเราไปจนเหมือนกับล่มสลายเลยชีวิตล่มสลายชีวิตที่มีความ สุขสรรเบริกบานเพราะสูญเสียสิ่งที่รักไปเท่านั้นแหละกลายเป็นทิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหมือนตกจากสวรรค์ ล, ลงมาสู่นรกทันทีนี่เป็นเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดแล้วมันจะต้องมีดับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากของใหม่มันก็จะค่อยกลายเป็นของเก่าไปเรื่อยๆจากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะกลายเป็นคนแก่ไปคนแก่คนเจ็บแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดกันมาก่อนก็ได้เพราะเราไม่ชอบคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้พอคิดแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจกันนี่นี่เพียงแต่คิดไม่สบายใจแล้วถ้าไปเจอของจริงมันยิ่งเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราคิดไว้ก่อนนี่มันจะมีโอกาสทำให้เราเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เราสามารถปรับใจของเราได้ถ้าเราปรับใจให้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เวลาเกิดเจอกับเหตุการณ์มันจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนได้ดังนั้นต้องหัดหัดคิดคิดในตามความเป็นจริงอย่าไปกลัวว่ามันเป็นการสราบแช่งมันไม่ใช่เป็นการสราบแช่งมันเป็นการเหมือนกับดูพยากรณ์อากาศเนี่ย พิการอากาศเขาดูลงหน้าเตือนเราไว้แล้วล ว, ลว่าในอะาทิตย์นี้เขาบอกว่าจะต้องมีฝนฟ้าขนองเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวไว้เออเราต้องถ้าที่ไหนบ้านช่องเราไม่แข็งแรงเราก็เตรียมเสริมความแข็งแรงหรือหลบที่ไหนหลบไปอยู่ที่ไหนได้ก็หลบไปเพราะวันที่มีพายุขเข้ามาถ้ามีเหตุการณ์เสียหายเราก็จะไม่โดนเพราะว่าเรา เรารู้เรื่องหน้าก่อนแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องของความไม่แน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องของการรู้ร่วงหน้าแล้วอย่าไปหาหมอดูเลยหมอดูก็เป็นหมอเดาทั้งนั้นอนะ่ะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นหมอดูที่แท้จริงเป็นผู้พยากรณ์สิ่งที่แท้จริงก็เกือนอนาคตของชีวิตเราทุกคนว่าพวกเราร่างกายของพวกเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตาย เราจะต้องมีการพักผาคจากกันให้เอาไปทำการบ้านเสียเอาไปเตรียมตัวเตรียมใจให้ยอมรับให้ได้ยอมรับกับความจริงอันนี้ให้ได้วิธีที่ทำให้ใจยอมรับได้ก็คือต้องไปฝึกใจทำใจให้สงบระงับความอยากเพราะความอยากนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ยอมรับความจริง อยากให้เราอยู่ไปนานๆอยากให้เราสวยปนานานเป็นนานๆเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนานๆอยากให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันห้ามไม่ได้ของมูนี้อยากยังไงมันก็เป็นไปตามความอยากไม่ได้แล้วความอยากนี้แนหะ่ะมันเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราดังนั้นเราต้องมาพยายามลดละตัดความอยากนี้ออกไปจากใจถึงแม้ว่าเราจะอาจจะรู้ว่า เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ตามแต่ถ้าใจเรายังไม่สบายใจกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่ก็แสดงว่าใจเรายังมีความอยากอยู่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะฉะนั้นเราต้องมาดัดความอยากให้นี้ให้ได้ลดความอยากนี้แล้วหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้และวิธีที่จะลดความอยากให้มันหายไปหรือหยุดไปได้ก็คือการมาทาใจให้สงบนี่ ความสงบนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มากมายรับดับความทุกข์ได้แล้วก็ให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ถ้ามีความสงบแล้วความทุกข์ที่ที่เคยเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่มันจะหายไปมันจะไม่เกิดแล้วก็ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับจากการทาใจให้สงบ นี่หละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเข้ามาหากันมาสร้างกันเป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับจิตใจของเราอย่างแท้จริงและถาวรถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะสามารถที่อยู่กับความสงบนี้ไปได้ตลอดความสงบนี้มันจะไม่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ ถ้าเรามีความสามารถที่จะดูแลรักษามันให้มันสงบได้ตลอดเวลามีสิ่งเดียวในโลกนี้ที่มันเป็นของที่เหนือกฎตายรักก็คือความสงบนี่ถ้ามีความสงบแล้วใจของเราจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์เพราะใจของเราไม่ได้ไปอาศัยอะไรต่างๆที่เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เป็นของที่เราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้แล้วเรามีสิ่งที่เราสั่งได้ควบคุมบังคับได้ก็คือใจของเราเนี่ยเราสามารถควบคุมบังคับใจของเราให้สงบได้สามารถกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราให้หมดไปจากใจได้ถ้าเราสามารถควบคุมกําจัด ความอยากต่างๆความโลภต่างๆเป็นที่เป็นตัวที่มาสร้างความความอยากความหิวความต้องการอะไรต่างๆนี้หมดไปจากใจใจของเราก็จะนิ่งจะสงบไปตลอดและจะไม่มีความรู้สึกหิวไม่มีรู้สึกว่าไม่ไม่อิ่มไม่พอจะมีความรู้สึกว่าอิ่มจะรู้สึกว่าพอไปตลอดเวลาไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการมีอะไร แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องการไม่ต้องการจะมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่จะมีเป็นครั้งสุดท้ายผมว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่มีความสงบที่เกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วนี่ใจจะไม่หิวไม่มีความต้องการที่จะมีร่างกายต่อไปตายไปก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่ ใครยังกลับมาเกิดมีร่างกายใหม่ก็ยังต้องมาทุกข์กับร่างกายร่างกายทุกร่างกายพอเกิดแล้วมันก็ต้องเข้าสู่ะบวนการของมันก็คือเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บเข้าสู่ความตายของมันไปแต่ถ้าเราไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะเราไม่มีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นนนแล้ว ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนกับคนที่ไม่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วอยู่บ้านมีความสุขเป็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมีอยู่ในบ้านแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องออกนอกบ้านก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีรถยนต์ถ้ามีรถคันเก่าก็จอดทิ้งไว้เฉยๆไม่เอาไปใช้ไปเอาไปไหนมาไหนถ้าเกิดรถเก่ามันเสียไปก็ไม่ไปซื้อรถใหม่มาใช้ เขาซื้อมาจอดไว้ซื้อมาทาไมใช่ไหแต่ถ้ายังต้องออกนอกบ้านอยู่ยังต้องไปไหนมาไหนอยู่มันก็ต้องมีรถกันแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านของเราที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะไม่ต้องออกไปหาของทั้งนอกบ้านแล้ว เ, เราจะไปทำไมให้เหนื่อยกันกระว่าต้องการอะไรก็มีอยู่ในบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจของท่านนี้มีความสุขบริบูรณ ทุกรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องการอะไรมันก็มีอยู่ในใจหมดต้องการอะไรเหมือนมันเหมือนกับมีเหมือนถ้าอยากจะดูมันก็เหมือนกับมีอะไรให้ดูอยากจะฟังก็เหมือนกับมีอะไรให้ฟังไม่ต้องไปมีร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปดูไปฟังพาไปกินไปดื่มนี่แหละคือความสงบมันเป็นอย่างนี้มันจะให้ความสุขของเราอย่างเต็มที่ตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต แล้วมันจะไม่มีความหิวความอยากไม่มีความต้องการอะไรจึงเป็นเหตุที่ทําให้ใจของผู้ที่ได้เข้าพบกับความสงบอย่างสมบูรณ์คือพระนิพพานแล้วนี้จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการมาเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีความทุกข์แต่ถ้าตราบใดยังต้องกลับมาเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเสมอ ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอไปอนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะทำให้เรามีความสุขวิธีที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้จะหายไปหมดถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้า คือมาทำใจให้สงบกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาสิงด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาไปทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เข้าสู่ความสงบตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่เป็นมงคลคือการครบบัณฑิตการไม่คบคนโง่คบคนฉลาดคนที่รู้ลสแห่งธรรมว่าเป็น เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของความสงบนี่เป็นความสุขเหนือกับความสุขทั้งปวงนั่นเองการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานังอุป ก, กัปะิต เอติตังปาิตังสุมห um ังคิปะเมวะสมิชฉาตุสัพเพปเรนตุสังกปะจันโทปนาระโสย h ามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจฉาตุสัพพารโควินัสต ok ุ มาเตผวะตวันตาวายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทนาสิลิษะนิจังวุทธาปจายิโนจตารุธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ส่งมาทางเพจทางยูทู e ก็ได้หรือเข้ามาถามเองก็ได้อนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เจ้าขาทาง Facebook พระอาจารย์ห้ายหอง Youtube พระอาจารย์สองร้อยเก้าสิบสามด็อกเตอร์วีเก้าสิบแปดวิทยูออนไลน์สิบคับเฮาสิบเก้านาุติหนึ่งร้อยสิบหกวมทั้งหมดหนึ่งพันเก้าสิบแปดท่านค่ะคถ้ามีคำถามก็เชิญ น, นำมามาถามได้เลยใครอยากจะถามว่าเข้ามาถามได้มีไมโครโฟนให้พูด เชิญนานเลยก่อนค่ะำถามจากคุณศรีร์ตอนนี้ปฏิบัติตามมหาปฏิมหาสติปัฏฐานสูตรโดยการพิจารณาลมหายใจในการนั่งสมาธิและดูกริยาบทอริยาบทในขณะต่างๆแต่ยังสงสัยในส่วนของการกำหนดกายเป็นปฏิกูลควรทำเมื่อใดและ พิจารณาในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งหรือพิจารณาไปเรื่อยๆตามบทสวดคาคเป้าหมายแรกก็คือต้องการให้มีสติมากๆก็คือให้มีความรู้สึกตัวอยู่ในทุกิเลียบทของการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องการให้จิตสงบด้วยการนั่งทําสมาธิดูลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นนี้พยายามทำสองส่วนนี้ให้มากกว่า เจริญสติในทุกข์เคลียบทของการเคลื่อนไหวการเจริญสติมันก็ทําให้เราคิดไม่ได้ดงั้นเรื่องความคิดเรื่องการพิจารณาทางปัญญานี้ไว้รอก่อนรอให้ทําใจให้สงบก่อนแต่ถ้าจะคิดบ้างบางครั้งบางเวลาก็คิดได้เช่นคิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสมมุติว่าถ้าเราไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เรา จ, จะใช้การคิดทางทางธรรมคือเรื่องความเป็่แน่นอนของร่างกายว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือร่างกายจะต้องกลายเป็นซากศพไปร่างกายมีอาการ32รเถ้าจะคิดก็ให้มันคิดอยู่ในวงนี้แต่ถ้าสามารถจเจริญสติไม่ให้คิดได้ให้มีการคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายได้ก็จะดี สำหรับการที่เราจะไปนั่งสมาธินันก็ส่วนใหญ่ก็ให้ฝุกสติเพื่อหยุดความคิดก่อนแล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติมากมันก็จะสงบง่ายและเร็วหลังจากที่เราออกจากความสงบแล้วนี่เราก็จะแบ่งเวลามาคิดทางปัญญาก็ได้หรือจะมาจะมาเจริญสติต่อก็ได้แล้วแต่ว่าเราช่วงนั้นอยากจะคิดหรืออยากจะเจริญสติ ถ้าไม่อยากคิดเราก็เจริญสติไปถ้าอยากจะคิดก็ใหคิดทางปัญญาคิดเรื่องของร่างกายาร่างกายมีอาการ32ไม่มีตัวมีตนเป็นเพียงแต่อาการ32มสิบมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปร่างกายก็จะแยกกายเป็นกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้ก็อยู่ที่เราเราสามารถเลือกได้ถ้าเราเริ่มมีความสงบแล้ว แต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เน้นเรื่องการจเจริญสติให้หยุดคิดก่อนจะดีกว่าคำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะบวชเนคขมะ ก, กับบวชชีพรามมีความแตกต่างกันอย่างไรคะก็ชื่อมันต่างกันนะแต่ตัวมันตัวเดียวกันนะนก็คือเนคขมะเขาคือการการหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็มาถือศีลแปดศีลแปก็คือการไม่ดูไม่ฟังไม่กินไม่ดื่มอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นไนข้ขมมะพามก็ถือศีลพรหมจรรย์ศีลพรหมจรรย์ก็คือไม่เสพกลางนั่นเองไม่เสพรูปเสียงกินรถไม่ร่วมหลับนอนกับใครก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นชื่อสองชื่อแต่เป็นคนคนเดียวกัน คนเราก็มีสองชื่อฮะสามชื่อบางทีชื่อแดงมั่งชื่อเขียวบ้างแต่ก็คนเดียวกันนั่นแหละคาถามมาจากคุณฟ้าหยาดการปฏิบัติธรรมเหมือนการฉีดวัคซีนป้องกันความทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะใช่ป้องกันด้วยแล้วก็กำจัดด้วยความทุกข์เก่าๆที่มีอยู่ก็จะหายไปหมดถ้ามีธรรมะอยู่ในใจถ้าใจสงบแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ คว ท, ทุกจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อใจเราไม่สงบจากคุณคลาสสิกเป็นตำรวจแต่ยิงโจรตายจะบาปไหมครับจะเข้าตัวมาเราไหมคือบาปมันมีมากมีน้อยมีหนักมีเบาอยู่ที่ว่าเราทําบาปด้วยเหตุผลใดถ้าเราทําบาปเพราะเราทําตามหน้าที่ของเรานี้มันไม่มากเท่ากับถ้าเราเป็นโจรไปฆ่าคนอื่นเพื่อไปลักทรัพย์ของเขาอันนี้บาปมากกว่า แต่ก็ยังบาปอยู่ถ้าไม่อยากจะทําบาปก็ไปเป็นตํารวจทําหน้าที่ในสํานัก ง, งานดีกว่าไปเป็นไปทำไปทำบัญชีหรือไปทําอะไรธุรการไปก็ยังเป็นตํารวจได้อยู่แต่ถ้าเป็นตํารวจสืบสวนสอบสวนปราบปรามนี่บางทีต้องตามจับขโมยตามจับคนร้ายแล้วถ้าเกิดเขายิงต่อสู้เราก็ต้องเราก็ต้องยิงต่อสู้ไปทางเขาตายมันก็ยังถือว่าบาปอยู่ แต่บาปแบบนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่หนักเหมือนกับบาปที่เราไปทำเวลาเราโกรธใครเกลียดใครหรือเวลาเราอยากจะได้ของของใครแล้วก็ไปฆ่าเขาเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาอันนี้จะหนักมากกว่าหลายเท่าจากคุณจรัญญาโยมปฏิบัติมาถึง จุดที่เห็นว่าร่างกายควบคุมบั ง, บงคับบัญชาไม่ได้เขามีเหตุปัจจัยเช่นกินน้ำเย็นมากก็ไม่สบายเราควบคุมไม่ให้ป่วยได้ไม่ให้ป่วยไม่ได้ร่างกายนี้จึงอยู่นอกเหนือนการควบคุมบัญชาของเรายมทำความเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าคะก็นอกจากทำความเข้าใจแล้วก็ต้องทำปฏิบัติให้ถูกกับร่างกาย ก็คืออย่าไปทุกข์กับเขาเวลาที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังขบเขาขไม่ได้เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อย่าอย่าไปอยากให้เขาหายเพราะความอยากให้มันหายนี่มันจะทำให้เราทุกข์เมื่อเขายังไม่หายก็ทำใจว่าก็ต้องอยู่กับเขาไปเดี๋ยวเขาก็หายเองถึงเวลาเขาก็หายเองไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายมันไม่เป็นไปตลอดอทุกอย่างมันมีวันสิ้นสุดลง แต่ใจเรานี้อย่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วกันท่านั้นเองเพราะเราเคยควบคุมบังคับเขาไม่ได้อย่าไปอยากให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเดี๋ยวเวลาเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะทุกข์มากเพราะความอยากไม่เจ็บแต่ถ้าเรายอมแล้วว่าต้องเจ็บต้องเตรียมตัวรับกับความเจ็บเวลาร่างกายเจ็บเราก็จะไม่ทุกข์ จากคุณเห็นมาราชการที่เราทนเห็นคนอื่นที่ขี้ฉาชอบว่าร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่ตอบโต้นี้เป็นเพราะขันติของเราด้วยหรือเปล่าครับก็เป็นเพราะว่าเราเฉยนี่เราเฉยก็นแล้วกันถ้าเราเฉยได้ก็โอเคมันมีหลายเหตุขันติด้วยอุเบกขาด้วยปัญญาด้วยที่จะทําให้เราเฉยแล้วก็ปล่อยให้เขาทาไปตามเรื่องของเขาไป ไม่ใช่เรื่องของเราตัวเขาเขาทำกรรมบนรไดไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขาก็จะคิดอย่างนั้นก็ได้จากคุณน้ชาการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรเจ้าคะก็ต่างตรงที่เวลานั่งมันก็นั่งเวลาเดินมันก็เดินแต่การปฏิบัติก็เดียวกันก็ยังใช้สติเหมือนกันเวลานั่งก็มีสติดูลมหายใจเข้า เวลาเดินก็มีสติดูเท้าที่เราเก้าวไปก้าวมามันก็เป็นการปฏิบัติเจริญสติเหมือนกันแต่ผลที่จะได้มันต่างกันถ้าเดินนี่มันจะไม่สงบเท่ากับนั่งถ้านั่งนี้กายมันนิ่งมันจะทำให้ใจสงบง่ายกว่ามากกว่าถ้ากายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่มันจะไม่นิ่งเท่ากับเวลาที่เรานั่งแต่บางทีเราก็นั่งตลอดเวลาไม่ได้เพราะมันก็เมื่อยมันก็เจ็บ แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติจากการนั่งมาเป็นการเดินต่อสลับกันไปจากคุณชิดชยัยถ้าเราทำบุญถือศีลจนเป็นนิสยัยถ้าเราตายไปกลับมาชาติหน้าเราจะทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ทำบาปใช่ไหมครับถ้ามันเป็นนิสยัยมันก็จะไม่มันก็จะทำต่อถึงแม้จะไปเกิดในครอบครัวที่เขาทาบาปเราก็จะไม่ทากับเขา จากคุณวาสนาชัยทะกระผมรักษาสินแปมาเดือนจะครึ่งแล้วครับตั้งใจจะรักษาตลอดไปแต่ตอนเช้าความเป็นชายจะความเป็นชายจะตื่นมาด้วยเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วครับกระผมตกใจกลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่กระผมไม่ได้สนใจไม่ถึงนาทีก็หายไปแบบนี้เกิดจากอะไรครับและเป็นภัยต่อกระผมอาจจันไหมครับ ควรปฏิบัติต่ออย่างไรครับคือมันยังมีกิเลสใต้น้ำอยู่คือยังมีความอยากอยากเศษกลางอยู่มันก็จะส่งผลไปที่มีการการเกิดขึ้นทางร่างกายแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราก็ไม่ไปไ ม, ไม่ไม่ไปส่งเสริมมันมันก็เดี๋ยวมันก็จะมันก็ผ่านไปเช่นถ้าเราไม่ไม่ต้องการให้มันขยายตัวก็ใช้คำบริีคำพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือถ้าเรา ทำนานทางปัญญาแล้วก็นึกถึงอสุภะไปนึกถึงอวัยวะที่ไม่สวยงามต่างๆของร่างกาย mm hmm. เช่นกระดูก mm hmm. หรือปอดไตตับลำไส้อะไรต่างๆไปก็ได้มัน mm hmm. ก็จะช่วยบรรเทาไม่ขยายความไปแต่เรายังมันมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้กำจัดตัวนี้คือตัวการมราคะมันยังมีอยู่ในใจเรา เราวมันมักจะฟาพโผลตอนที่เราไม่ค่อยมีสติเช่นตอนตื่นใหม่ๆตอนนั้นเรายังไม่ค่อยมีสติมากมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องพยายามฝึกการเจริญสุขภาอยู่เรื่อยๆดูความไม่สวยงามของร่างกายบ้างดูส่วนที่ไม่สวยงามเนี่ยมองเห็นใครก็ลองผ่าผ่าหน้าอกหน้าท้องข้องมาดูว่าข้างใต้ท้องน่นใต้หน้าอกนี้มันมีอะไรบ้างจะได้เห็นอ๋อมันมีแต่ของที่ไม่น่าดูเลย มีปอดมีตับมีไตมีลำไส้อะไรต่างๆดูบ่อยๆดูให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วการอารมณ์มักจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่จากคุณนัทพง์การฝึกปฏิบฏัติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ละวันอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้มันบุญมันมีหลายขนาดเนี่ยหลายเหมือนธนบัตรเนี่ยใบละ 20, บยี่สิบใบละ5้าสิบใบละร้อยมันก็ได้แต่เป็นบุญส่วนน้อย แต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยก็ต้องเ ร, เริ่มทำจากน้อยไปหามากก่อนต่อไปนอกจากการสวดมนต์แล้วก็อาจจะมีการเดินจยงกรมนั่งสมาธิต่อก็ได้คำถามจาก y o u t u ด็อเตอร์วีการปฏิบัติที่เจริญเก้าหน้าคือการสังเกตดุกิเลสในตัวเองว่าเริ่มเบาบางลงหรื อ, อยังอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็มีส่วนถ้าเราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงของเราน้อยลง ใจเราทุกน้อยลงมีความสุขมากขึ้นใจเราเย็ยนขึ้นใจเรามีความเมตตามากขึ้นอะไรทำนองนี้มันก็แสดงว่าเราจเจริญก้าวหน้าถ้าทรมะมีมากขึ้นในใจของเราจากคนเห็นรมาชาติถ้าเราเจอคนขี้อิจฉาเห็นแก่ตัวแบบนี้คนจำพวกนี้คือบุคคลที่น่าสงสารสมเพศแบบนี้ผมคิดได้แบบนี้ผมบาไปไหมครับก็มองว่า ทุกคนมันเขามีบุญมีกรรมที่เขาทำมาติดตัวเข้ามาแล้บุญแล้บาปที่เขาทําติดตัวมานี่จะเป็นตัวที่จะทําให้เขาเจริญหรือเสือ่อมเราก็ดูไปตามหลักความเป็นจริงไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปอิจฉาลิศยากับเขาคําถามจากหน้ากุติค่ะทุกครั้งที่ทําบุญปฏิบัติธรรมจะอุทิศกุศลนั้นให้กับ ผู้ที่เราไม่ชอบและต้องการให้เขาไปจากเราวันหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งกระทันหันในขั้นสุดท้ายเช่นนี้จะเป็นบาปไหมคะคือการทำบุญนี่เราไม่อุที่ให้คนเป็นแล้วุญที่ให้คนตายคนเป็นนี่เราให้ความเมตตาเขาเราต้องให้อภัยเขาเช่นถ้าเขาทำให้เราโกรธเกลียดเขาเราก็ต้องให้อภยัยเพื่อที่เราจะได้หยุดความโกรธความเกลียดแต่อย่าไปอย่าไป อ, อ, อุทิศบุญเพื่อให้เขาตายหรือเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการอุทิศบุญนะหรือเพื่อไม่ให้เขามาเป็นศัตรูกับเราอันนี้เราทำไม่ได้ถึงที่เราทำได้ก็คือแผ่เมตตาให้กับเขาได้ให้อภัยเขาอย่ามาเป็นอย่ามาเป็นศัตรูกันเลยมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปมีอะไรให้เขาได้ก็ให้เขาไปจากคุณจตุพร ทุกจากเวทนาทางใจเราจะทําอย่างไรให้คลายจากทุกข์คะก็ต้องมีสติทําใจให้สงบและมีปัญญาสอนใจให้เราเห็นว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากและสิ่งที่เราอยากมันได้มันไม่มันเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์พอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไป จากคุณแดงเรานำหลักธรรมคาสอนพรมวิหารสี่มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างเจ้าคะเชเมตตาก็คือเราเจอใครก็เป็นมองเขาแบบเป็นเพื่อนไงเมตตาก็คือความเป็นมิตรเห็นใครก็ทักทายสวัสดีจ้าสบายดีหรืออนี้ก็เมตตาถ้าอยากให้เขามีความสุขเช่มวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญมาให้เขาสักชิ้นหนึ่งอะไรนองนี้อันนี้ก็เมตตา หรือว่าจะพูดอราจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนว่าทำพูดไปแล้วทำไปแล้วจะทำให้เขาเดือดร้อนเสีหยหายหรือเปล่าถ้าเขาทำไปแล้วไม่เดือดร้อนเสียหายก็ทำไปถ้าเดือดร้อนเสียหายก็อย่าทำนี่หรือถ้าเขาถ้าเขาทำอะไรเสียหายเราก็ให้อภัยเขาไปอย่าไปโกรธอย่าไปมีเรื่องมีเลวากับเขานี่คือการมีเมตตาการุณาก็คือถ้าเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อน พอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยไปเขาไม่มีข้าวกินก็ซื้อข้าวมาให้กินอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากรุณาโุนิตก็เวลาเขาได้ดิบได้ดีก็แสดงความยินดีไปกับเขาอย่าไปอิจฉาลิสยาอุเบคาก็คือเวลาที่เราช่วยเขาไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ก็ต้องทาใจเฉยๆไปก็คิดว่าเป็นกรรมของเขาไปจากคุณนานา คนที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาแค่นั่งสมาธิที่บ้านจะสามารถเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขารู้จักวิธีเข้าถึงนิพพานหรือเปล่าการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่พระนิพพานแต่ยังไม่เป็นครบยังต้องมีการเจริญปัญญาด้วยต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องกำจัดก็คือความอยากทั้งหลายทั้งปวงเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้ใจทุกข์พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิด จากคุณดวงเดือนโยมรักษาสินแปที่บ้านทุกวันในบางวันต้องสอนหนังสือให้หลานชายวัยก้าขวบเวลาสอนก็ดุบ้างแต่เมื่อจบการสอนโยนโก็กอดจับหัวจับตัวเขาบ้างในบางครั้งก็ปอบใจอย่างนี้สินแปะจะขาดหรือบกพร่องหมวนมองหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรอกสินแปนี้จะบกพร่องก็ต่เมื่อเราไปนอนกับเขาเป็นมีเพศสัมพันธ์กับเขา แต่ถ้าเพียงแต่จับเนื้อต้องตัวมันยังไม่มันไม่ยังไม่ผิดศีลแต่ที่เขาไม่ให้ทำเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะเหมือนกับเป็นการเอาน้ํามันกับไฟมาอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวมันอาจจะลุกขึ้นมาได้พอจับเนื้อต้องตัวแล้วอาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วอาจจะหากั้ามใจไม่ได้ก็อาจจะไปทําผิดศีลได้ดันั้นเพื่อป้องกันก็เลยพดไม่ให้จับเนื้อต้องตัวกันโดยเฉพาะเพศตรงกันข้าม จากคุณยาสิทธ กระผมกลัวตายกลัวเป็นโรคร้ายแต่ก็พยายามเจริญสติพุทโธถือสิ่งอุโบสถในวันพระตลอดตัวกระผมเองเคยเป็นโรควิตกกังวลปัจจุบันก็ยังมีอาการอยู่พอเกิดเจ็บตรงไหนนิดหน่อยก็คิดไปไกลกลัวเป็นมะเร็งกลัวตายจนนอนไม่หลับพยายามพุทโธตลอดผมอยากให้ตัวเองยอมตายยอมเจ็บและเข้าใจอย่างที่พระอาจารย์สอนครับแต่ทําไม่ได้ก็พยายามทำไปเรื่อยๆสอนใจเรื่อยๆว่าลราห้ามันไม่ได้ มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นเพียงคนที่มาใช้มันชั่วคราวเป็นเจ้าของชั่วคราวซึ่งวันหนึ่งก็จะต้องแยกกับแยกทางกันไปทำใจให้สงบให้มากๆแล้วก็จะทำใจได้จากคุณนมชาการตั้งสัจจะที่จะถือศีลแปทุกวันพระตลอดชีวิตจะทำให้เราได้บุญหรือกุศลอย่างไรเจ้าคะก็จะทาให้เรานี่ ขึ้นไปสู่ระดับชั้นพรหมโลกได้การที่จะไปเข้าสู่พรหมโลกนี้ต้องละการเสพการละการเสพลบเสียงกลียดลดโผฏฐะแต่ถ้ารักษาศินแปอย่างเดียวถ้ายังไม่ภาวนานี้ยังยังเข้าไปถึงพรหมโลกไม่ได้เพียงแต่ไปที่ประตูศินแปดนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นตัวนําเราไปสู่ประตูเข้าพรหมโลกแต่ถ้าจะเข้ากับพรหมโลกเราต้องตีตัวเข้าไปตัวที่จะพาให้เราเข้าพรหมโลกก็คือการเข้าฌานเข้าสมาธิ จากคุณวัฒนาเวลานั่งสมาธิพอจิตนิ่งจะเหมือนวูบตกแต่จะสะดุ้งรู้สึกตัวจะนึกถึงพุทธโธต่อไปอย่างนี้ถูกหรือไม่คะถ้ามันวูบสะดุง้งก็แสดงว่าช่วงนั้นเป็นกำใกล้จะหลับมันต้องไม่สะดุ้งนะมันวูบแต่ไม่สะดุง้งรู้สึกตัวตลอดเวลาถึงนี้ถูกเแสดงว่าสติเรายังไม่ค่อยมีกําลังมากพอก็พยายามฝึกสติให้มากๆอยู่เรื่อยๆ ก่อนที่เราจะมานั่งและเวลามานั่งเราก็จะได้ไม่ไม่รู้สึกวูบเราจะรู้สึกตัวตลอดเวลาและเวลามันมันจะเด่งเข้าสู่ความสงบเราก็จะไม่ตกใจเราก็จะรู้เฉย คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะหนูเป็นมือใหม่สำหรับการภาวนาทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้เมื่อถึงเวลาก็จะออกจากสมาธิค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิหนูกาหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธเมื่อนั่งไปได้สักระยะหนึ่งรู้สึกปวดเมื่อยมากจึงพยายามอดทนจนคดเวลา ความรู้สึกค่อนข้างอึดอัดค่ะกับอีกแบบหนึ่งหนูนั่งสมาธิพอรู้สึกปวดเมื่อยมากๆจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนเอเรียปวดแล้วภาวนาต่อไปในแบบนี้ทําให้หนูภาวนาต่อไปได้แบบเบาสบายและสามารถนั่งได้จนครบกําหนดโดยไม่รู้สึกอึดอัด่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ หนูควรฝึกเอาชนะความปวดเมื่อนี้โดยไม่เปลี่ยนอีริยาบทจนครบเวลาหรือเปลี่ยนอีริยาบทแล้วนั่งภาวนาต่อคะต้องไม่เปลี่ยนแล้วก็อย่าไปนั่งเฉยๆถ้าเราดูลมแล้วมันใจมันอึดอัดก็ให้เปลี่ยนมาใช้คําบริกรรมแทนในช่วงนั้นถ้าใจเริ่มปวดแล้วเริ่มรู้สึกวุ่นวายไปกับความปวดของร่างกายเราต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงอาการเจ็บปวดของร่างกายถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้ทั้งระยะหนึ่งใจเราก็จะปล่อยความเจ็บปวดนั้นแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องเวลาที่เราเจอความเจ็บปวดของร่างกายถ้าเราไปเปลี่ยนในระยาบวไปขยับใหม่ก็เหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเราเดินออกจากบ้านไปครึ่งทางจะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่บ้านใหม่ ถ้าจะไปต่อก็ต้องอดทนไปเดินต่อไปถึงแม้จะยากลําบากย่งนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปคําถามที่สองค่ะทุกครั้งที่ฝึกภาวนาควรตั้งนาฬิกาจาับเวลาและค่อยๆขยับเพิ่มไปไเรื่อยๆเพื่อพัฒนาไหมคะหรือหนูควรพิจารณาจากสิ่งไหนเพื่อการฝึกภาวนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องเวลาตั้งนาฬิกาอย่าไปตั้งมันดีกว่า นอกจากว่าถ้าเรามีนัดมีอะไรที่เราจะต้องไปทำเราถึงตั้งถ้าเราไม่มีความจำเป็นให้ตั้งสติจะดีกว่าให้มีสติเยอะๆแล้วสตินี่อาจจะเป็นตัวที่จะตัดสินว่าเราจะนั่งได้นานไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราไปตั้งนาฬิกาบางทีเราก็จะมัวไปกังวลกับ น, นาฬิกาว่าถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังจะได้เลิกสันทีนั้นอย่าไปตั้งนาฬิกาถ้าไม่มีความจำเป็น แล้วก็ให้ตั้งสติคือจเจริญสติบ่อยๆให้มากๆฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งแล้วถ้าเรามีสติแล้วเราจะเพลินกับการดูลมกับการบริกรรมพุโทโธจกกนกระทั่งเราลืมเวลามเวลาไปแล้วใจเราก็จะสงบเย็นสบายไปได้นานคำถามจาก Facebook ค่ะถ้ามีคนมาขับรถชนรถเราถ้าเขาขอโทษและลูกให้อภยัยเท่ากับเราแผ่เมตตาให้เขาหรือไม่เจ้าคะถูกต้อง การแผนไม่ตางกัการให้อภัยเวลาไม่เวลามีปัญหากันเราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันไปให้เรื่องมันจบไปใจเราจะได้กลับมาสงบได้คำถามจากยูทู u ด e อกเตอร์วีทุกวันนี้ ตั้งจิตตลอดเวลาว่าขอไม่เกิดอีกแต่สติไม่มากพอที่จะทําสมาธิได้แบบนี้สิ่งที่เราระลึกตลอดว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดอีกจะเป็นไปเป็นไปได้ไหมคะเพราะไม่อยากเกิดมารับรู้ทุกสุขถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องหยุดคิดอย่าคิดคิดแค่พอให้รู้ว่าเราไม่อยากจะมาเกิดก็พอแล้วก็วิธีจะทําให้เราไม่มาเกิดก็คือเจะเรันสติหยุดคิด ให้เฝ้าดูิรียบวการเคลื่อนไหวต่างๆของเราหรือใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ใจคิดแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะได้สงบได้ง่ายได้เร็วได้นานเราจะทำให้เราตัดพบตัดชาติได้จากการทำใจให้สงบคำถามจากคุณเปเมื่อเปิดไฟไม่กลัวอะไรพอดับไฟรู้สึกกลัวผีพอเปิดไฟก็รู้สึกเฉยๆเพราะอะไรเจ้าคะก็เพราะเราไปคลนนั่เอง เวลาานอนหลับแล้วก็ปิดไฟนี่มันอยู่ที่ความคิดเราผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงพอเราไปคิดว่ามีผีขึ้นมาก็กลัวขึ้นมาทันทีเันเพียงแต่ความคิดที่เราคิดรุ้มแต่งขึ้นมาออกมาอีกแล้วผูน้นี้ต้องโดนไม้เรียวสักหน่อย ม, มันไม่กะเนี่ยมันไม่มีใครสั่งสอนเลยเอ่าตอบไป คำถามจากคุณโชติคุณเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุญที่เราทำจะส่งถึงคนที่ตายไปแล้วครับเวลาที่เราทำบุญเรามีความสุขใจความสุขใจนี่ก็เราสามารถส่งไปเหมือนเหมือนกับที่เราส่งสัญญาณโทรศัพท์แบบเดียวกันคำถามจากคุณกอสมมุติเราไปสถานที่ที่มีรูปปั้น พญานาะคเรายกมือไหว้ได้แต่ไม่ควรกราบใช่ไหมครับและควรแผ่เมตตาบทไหนครับคือจะกราบก็ได้จะไหว้ก็ได้คำว่าที่พึ่งก็คือเราแต่เราจะฟังคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่การกราบไหว้ใครก็ได้พ่อแม่เราว่ากราบไหว้ได้พระเจ้าแผ่นดินเราว่ากราบไหว้ได้ไม่ได้ไหมครับว่าเราถือเขาเป็นที่พึ่งของเราเพียงแต่ว่าเราให้ความเคารพตามมารยาทของสังคม แต่ที่พึ่งของความหมายที่พึ่งก็คือเราขอเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจะเชื่อฟังแต่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของใครถ้าไม่ขัดหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ก, ก, ก็ก็เชื่อได้เช่นพ่อแม่สอนให้เราเป็นคนดีเราก็เชื่อได้แต่ถ้าพ่อแม่สอนให้เราไปทํำบาปเราก็ต้องไม่เชื่อทั้นั้นเองจากคุณเฮมาราถ้าเราเจอคนที่อิจฉาแบบนี้กลัวคนอื่นได้ดีกว่า คนจำพวกนี้เสียชีวิตไปเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ครับอทุกคนได้เกิดทั้งนั้นเนะพียงแต่ว่ า, าทําเวลาไปนี่ไปทําบาปหรือทํากรรมแล้วก็ต้องไปใช้บาปกรรมก่อนเท่านั้นเองถ้าทําบุญก็ไปรับผลบุญก่อนแล้วเมื่อบุญกับบาปที่เราได้ทําไปมันหมดผลแล้วเราก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทุกครั้งไปหมดแล้วใช่ไหมเวลาก็หมดพอดีก็